อุทคกาดาบทสองคนฤาษีสองรูปนี้ก็สอนให้ท่านทำสมาธิจนถึงฌานที่เจ็กับฌานที่แดได้อารูปฌานเพราะฉะนั้นการทำสมาธินั้นมีมาก่อนพระพุทธเจ้าจะตรัสรู้อีกนะนี้ท่านไปเรียนแล้วท่านก็พบว่าการที่จิตน้อมไปอยู่ในความสุขในความสงบในความไม่มีอะไรเลย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 สติท่านมีอยู่นะไม่ใช่ไม่มีท่านบอกมารเนี่ยคอยตามท่านตลอดเวลาหกปนะีพยา ม, มารตามอยู่ตลอดหกปีหวังว่าเมื่อใดเจ้าชายสิทธัตถะท้อใจนะจะมาเคลียกล่อมให้กลับวังนะแต่มารไม่มีช่องเลยไม่เห็นช่องทางเลยพระเจ้าชายนี่ไม่ยอมขาดสติเลยนะ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 แค่นี้ก็ภาวนาได้นะเห็นไจรักษได้แล้วแค่นี้ง่ายๆเห็นไจรักแต่ง่ายหรือเปล่าไม่แน่ใจอาณาปนานสติเน่ยากมากนะท่านนึกถึงตอนที่ท่านตามพ่อท่านไปแลกนานะไปแลกนาพวกพี่เลี้ยงเอาท่านไปไว้ใต้ต้นไม้แล้วก็ไปดูพระเจ้าสุดโทธนาไถนาพวกเจ้าศักยานี่พวกทานานะสุดโทนาแปลว่าข้าวข้าวบริสุทธ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 บารมีท่านมากพวกเราะระลึกชาติเมื่อเช้านี้ยังนึกไม่ออกเลยเมื่อเช้าอุจจาระกี่ก้อนนึกออกไหมบางคนตอบได้บอกว่าเหลว <S <S เรื่องของเราบางทีไม่รู้อะแค่ะระลึกชาติใกล้ๆนะเราไม่รู้นะนี่ท่านะระลึกชาติไปไกลมากเลยละระลึกไปแล้วในที่สุดท่านก็เกิดปัญญาปิง้งขึ้นมานะความเกิดนะเกิดที่ไรเป็นทุกๆ ท, ที่ ถ้าเป็นเราะระลึกได้คงสนุกใช่ไหมเราก็จ ะ, ะระลึกได้คนนี้เคยเป็นเมียรเราตอนนี้มาเกิดอยู่นี้เดี๋ยวเราจะตามไปจีบอะไรเงี้ยเนี่ยระลึกตามกิเลส น, นะะระลึกตามกิเลสไปนี่ท่านไม่เป็นองนั้นท่านรู้เลยว่าเกิดที่ไร ก, ก็ทุกทุกทีนี่ถ้านระลึกอย่างนี้นะพอถึงยามที่สองท่านลองดูคนอื่นสิเขาเกิดยังไงที่จะไม่ทุกข์บ้างเ น, นี่ยสัตว์ทั้งหลายเวียนตายเวียนเกิดตั้งมากตั้งหม่นะ เราลึกไประลึกไ ป, ลลกไปสุดท้ายท่านก็สรุปได้เกิดที่ไรเป็นทุกทุกทีนี่คนมีปัญญานะถ้าเป็นเราระลึกได้ก็สนุกไปเลยเห็นไหมหลงหลงโลกหลงกิเลสไปเลยท่านกลับไปเห็นว่าเกิดที่ไรก็ทุกทุกทีนะพอมาถึงยามที่สามเนี่ยท่านก็มาค้นคว้าพิจารณาแนละ้วความเกิด่ะความเกิดคืออะไรทำไมเกิดแล้วมันทุกทุกทีนะถ้าไม่เกิดได้จะดี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 นะคําว่าพบมีสองอย่างนะอย่างหนึ่งเรื่องอุปาติภพอุปาติภพคือพบโดยการเกิดอย่างพวกเราเนี้ยมีอุปาติภพเป็นมนุษย์นะแล้วมีกรรมภพกรรมภพคือการทํางานของใจที่ทําอยู่เป็นขณะขณะนะพวกเรามีกรรมภพวันหนึ่งมีกรรมภพนับไม่ถ้วนเดี๋ยวก็เป็นภพที่ดีเดี๋ยวเป็นภพที่เลวบางขณะกิเลสครอบงําใจอย่างโทสะครอบงําใจในขณะนั้นเราอยู่ในภพของสัตว์นรก ร่างกายเราเป็นมนุษย์แต่ใจเราเป็นสรนนรกในขณะนั้นขณะใดความโลภครอบงําใจนะร่างกายเราเป็นมนุษย์แต่ใจเราเป็นเปรตใช่ไหมมีภพย่อยๆที่เป็นเปรตนะอันนี้เป็นภพย่อยๆนะภพที่เกิดจากจิตมันทํางานขึ้นมานหรือในขณะใดจิตเรามีศีลมีธรรมขึ้นมาเราอยู่ในภพของมนุษย์ขณะใดจิตเรามีฮิริมัว ต, ตปะละอายที่จะทําบาปเกรงกลัวผลของการทําบาปเราเป็นเทวดา ขณาใดาจิตใจเราสงบมีความสงบนะสุขสงบบ้างนะอุเบกขาแล้วก็สงบบ้างจิตใจเราเป็นผลม่มแล้วเรายังมีภพเวียนอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาภพใหญ่ๆนั้นได้มาโดยการเกิดนะเกิดมาชาติหนึ่งอุปาทิภพเป็นมนุษย์ก็มีภพย่อยๆนะมากมายนับไม่ถ้วนในแต่ละวันนะนี่ท่านมาดูต่อไปเอ๊ะภพย่อยๆนีมันมาได้ยังไง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 นั้นใจหลงหลอยบ่อยๆนะในที่สุดเราจะได้ไปเป็นภาคีของเดรจา น, น์ได้เป็นหมู่เป็นพวกของเขา น, นั้นใจเหล่านี้แหละมีภพย่อยๆภพย่อยๆคือภพนี้เกิดจากอะไระอุปาทานทําให้เกิดภพอุปาทานคือการที่จิตเนี่ยโลภอย่างรุนแรงเข้าไปยึดไปถือไปหยิบไปเฉยเอาอารมณ์ไปหยิบเอาเฉยเอารูปเอานามขึ้นมานะ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 ท่านค่อยๆดูถ้าไม่ได้นั่งคิดเอาเองนะเวทนาคือความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์เฉยๆนะมาจากผัดสะการกระทบอารมณ์ถ้าไม่มีการกระทบอารมณ์ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเวทนาก็ไม่เกิดนะอย่างตาเรามองเห็นาตาเรามองเห็นสาวสวยนะความสุขก็เกิดขึ้นใชนะ่ตาไปมองเห็นศัตรูของเราเนี่ยความทุกข์ก็เกิดขึ้นนะ นั้นอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจไปกระทบอารมณ์ทางใจกระทบอารมณ์เช่เนไปคิดนะคิดถึงคนซึ่งเราเคยเกลียดชังเห็นไหมโท่สาเกิดแล้วใจมีความทุกข์ขึ้นมานะคิดถึงคนที่เรารักใจก็มีความสุขขึ้นมาเห็นไห ม, มอาศัยการกระทบอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ก็เกิดขึ้นมาเพราะความรู้สึกสุขทุกข์เกิดขึ้นมาแล้วความอยากก็เกิดตามมา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 เพราไปหยิบเวยเอาตัวทุกข์ขึ้นมาไปหยิบฉวยเอารูปเอานามขึ้นมานีก็ทุกข์เลยการหยิบเวยรูปนามขึ้นมาได้นั่นแหละเรียกว่าชาตินะมีชาติก็มีทุกข์ทันทีเลยนี่ผัสสะมาจากไหนภาษาการกระทบอารมณ์ทางตาหัวจมูกริ้งกายใจกระทบได้เพราะเรามีตาใช่ไหมเรามองเห็นรูปได้เพราะมีตาเราได้ยินเสียงได้เพราะมีหูเราได้กลิ่นได้เพราะมีจมูกเรารู้รสได้เพราะมีลิ้นเรารู้สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งได้เพราะมี ศาสตรสัมผัสทางร่างกายนะเรารู้อารมณ์ทางใจได้เพราะเรามีจิตใจเนะนี่ยมันอาศัยอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละจึงเกิดมีการกระทบอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจได้นะอายตนะจึงเป็นผัดัจของผัดสะจนะมีผัดสะก็เกิดเวทนาเกิดตัณหาเกิดรูุพานธ์เกิดพบเกิดชาติเกิดทุกข์เป็นลําดับลําดับไปเนะนี่ท่านค่อยๆดูมานะ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 สติปัญญาของท่านแหลมคมขนาดนี้อายตนะนามาจากอะไรอยายตนะมีพึ้นมาได้เพราะมีรูปธรรมก็นามาทรมาทํางานด้วยกันนะอย่างเรามีตาตาทำงานได้นะก็มีจักรครูประสาทใช่ไหมจักรครูประสาสตเป็นรูปธรรมใช่ไหมมีจอรับภาพนะมีแก้วตาเลนมีอะไรต่ออะไรพวกนี้นี่เป็นส่วนของรูปธรรมแล้วก็มีความรู้สึกทางตาเกิดขึ้น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 โดยภาษามนุษย์ได่ฟังยากแล้วนะท่อนปฏิจจสุวัดท่อนแรกๆนี้ท่านทะลุลงไปถึงอวิชชาอาวิชชาคือการที่ไม่รู้ความจริงอ่ะไม่รู้ความจริงของตัวทุกตัวทุกก็คือรูปธรรมนามธรรมถ้ารู้ความจริงของตัวทุกนะจะรู้ความจริงว่าไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีเราไม่มีเขาแะมีแต่รูปธรรมกนามธรรมล้วนๆเลย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 อยากมีคนรู้ใจเห็นไหมเราอยากให้คนอื่นรู้ใจเราแล้วเราก็อยากรู้ใจคนอื่นนึกออกไหมเราไม่อยากรู้ใจตัวเองอะยกเว้นเราอยากมีคนรู้ใจแต่ตัวเองอะใจตัวเองไม่รู้หรอกเนี่ยเราไปหวังอะไรที่ไร้สาระมากเลยลองหัดมารู้ใจตัวเองนะทำตัวเป็นคนรู้ใจตัวเองสับ้างแล้วจะพบว่าไม่ยากหรอกที่จะรู้ใจตัวเอง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 แต่ไม่ใช่นั่งเพ่งเหมือนนะไม่ใช่ไปรู้สึกใจแข็งแข็งเครียดเครียดจ้องไม่ให้กับริบตาไม่ใช่แค่รู้สึกถึงความมีอยู่ของร่างกายแล้วมันอยู่ในอีริยาบถอะไรก็แค่รู้สึกไปไม่ต้องเอาตาไปดูรู้ด้วยใจนะรู้ด้วยใจเราหลับตาอยู่ล้วยกมือเราก็รู้สึกใช่ไหมเราก็รู้สึกรู้สึกถึงมันไหมนะรู้สึกถึงร่างกายหม เรารู้สึกถึงร่างกายบ่อยๆใจเราเป็นแค่คนรู้สึกเนะเราจะพบว่าร่างกายกับจิตใจเนี่ยเป็นคนละส่วนกันนะเป็นคนละส่วนกันพวกเราลองทำใจให้สบายนะทำใจให้สบายหลับตาซะหน่อยก็ได้เพื่อความเท่ดูเป็นนักปฏิบัตินะะหลับตาซะหน่อยก็ได้นะลืมตาแล้วหน้าทะลึ่งไปนะหลับตานะแล้วลองเคลื่อนขยับมือดูนะอย่าไปตีหัวชาวบ้านนะขยับใกล้ๆของตัวเองลองขยับ ขยับมือดูก็ได้นะจะยกแขนยกอะไรเบาๆก็ไดนะ้รู้สึกไ้ยร่างกายมันเคลื่อนไหวรู้สึกไมเห็นไหมใจเราเป็นคนไปรู้มันเห็นไ้เราไม่ได้เอาตาไปดูมันแต่ใจเราเป็นคนรู้บางคนนั่งพยักหน้างอก ๆ, ๆนะเห็นไหมร่างกายพยักหน้าร่างกายนี้เป็นสิ่งที่ใจไปรู้เข้าหัดอย่างนี้นะลองดูไม่นานเลยเราจะพบว่าร่างกายกับจิตใจเนี่ยเป็นคนละอันกันนะไม่นคนละส่วนกัน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 นะแล้วก็ขยับตัวไปขยับไปขยับไปนะแล้วก็แค่รู้สึกนะแค่รู้สึกถึงว่าร่างกายมันขยับขยับรู้สึกไปเรื่อยนะจะเห็นเลยใจเรารู้มันนะเราไม่ได้รู้ด้วยตาเราไม่ได้รู้ด้วยมันขยับแล้วใจเราไปรู้มันเนี่ยร่างกายกับจิตใจคนละอันกันพอเราแยกได้นะรูปปธรรมนามธรรมคนละอันกันแล้วต่อไปเราฝึกต่อไปอีกนั่งให้นานขึ้นหน่อยพอนั่งนานขึ้นไปมันเจ็บมันปวดขึ้นมานะอดทนนิดนึงนะลองดู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 เพรนันหัดรู้สึกตัวไม่ยากที่คนเราจะรู้สึกกายรู้สึกใจของตัวเองมันละเลยที่จะรู้เท่านั้นแหละนะเราคอยสนใจนะคอยดูความจริงของกายกายเป็นอย่างไรรู้ว่าเป็นอย่างนั้นก็เป็นไตรลักษณ์จิตเป็นอย่างไรรู้ว่าเป็นอย่างนั้นก็เป็นไตรลักษณนะ์ดูลงไปเรื่อยในที่สุดก็รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะเกิดแล้วดับทั้งสิ้นไม่ได้เกิดลอยๆมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้นะ งั้อย่างที่พระอัสสชิสอนภาษาลีบุตรนะแต่จริงไม่ได้สอนพภาษาลีบุตรตอนนั้นยังไม่มีภาษารีบุตรสอนอุปติสสะพระอัสสชิสอนอุปติสสะนะว่าเยธรมมาเหตุตุปภาเตสังเหตุตุงตถาคโตเตสัญเโยนิโรโทจะเอวังวาทีมหาสมโนติเอามีบาลีนิดหน่อยนะทำทั้งหลายเกิดแต่เหตุพระตถาคตเจ้าแสดงเหตุแห่งธรรมนั้นและแสดงความดับไปแห่งธรรมนั้น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 ส่วนที่ยังผิดยังทำบาปอยู่นะมีทางแก้ไขก็แก้ไขไปนะแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนทาบาปยีบสี่ชั่วโมงนะในขณะจิตซึ่งจะเดินสติเดินปัญญาในขณะจิตนั้นไม่ได้ทำบาปนะอย่างพวกเราทำบาปแต่ละคนมันก็ทำกันทุกคนเลยนะทำผิดศีลผิดธรรมก็เคยทำต้องประมาทพลาดครั้งบ้างใช่เราก็ทำผิดมาก็คงไม่เท่าพระองคุลีมานใช่ใครทาผิดม า, มาก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 ถือศีลจะถือด้วยความเฉลียวฉลาดแต่ไม่ใช่เจ้าเล่ห์เดี๋ยวหลวงพ่อบอกว่าถือศีลแล้วเป็นขณะขณะได้ก็เจ้าเล่ห์นะไปเป็นชู้กับเขาแล้วขณะนี้ไม่ได้เป็นชู้อะไรเงี้ยนะเจ้าเล่ห์เกินไปนะอย่างนี้นะงั้นนะถือศีลไว้นะพอถือศีลแล้วสิ่งที่จะช่วยพวกเราให้บรรลุมรรคผลในชีวิตนี้ได้อีกอย่างหนึ่งนะคือการมีวินัยในตัวเองทุกวันต้องทาในรูปแบบ ทุกวันไหว้พระสวดมนต์คิดถึงพระพุทธเจ้านะคิดถึงบุญคุณของท่านคิดถึงความดีงามของท่านนะคิดถึงพระธรรมที่ท่านสอนคิดถึงพระสงฆ์นะคูบาจารย์ที่ภาวนาดีๆเราพูดยากว่าองค์ไหนภาวนาดีภาวนาไม่ดีนะเราคิดถึงพระพุทธพระธรรมไว้ก่อนก็ได้นะจนกว่าวันหนึงใจเราเป็นพระสงฆ์แท้แล้วเราถึงจะรู้ว่าใครเป็นพระสงฆ์แท้พระสงฆ์แท้ก็มีนะพระสงฆ์เทียมก็มีนะไม่ใช่ไม่มี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 วันๆก็พุทโธพุทโธอย่าพุทโธเป็นนกแก้วนกขุนทองพุทโธเราวนึกถึงคุณงามความดีของพระพุทธเจ้าบ่อยๆนะหรือพุทธอย่างน้อยพุทโธเรารู้ทันใจของตัวเองบ้างกิเลสเกิดขึ้นมาอายพระพุทธเจ้ากําลังท่องพุทโธอยู่แล้วกิเลสมานะให้รู้ทันอย่าให้กิเลสเราไปกินซะให้คอยรู้ทันเนี่ยทุกวันนะหัดทําในรูปแบบอย่างน้อยๆทําอย่างนี้ก็ยังดีนะ ทำได้มากกว่านี้นั่งสมาธิเดินจงกรมด้วยความมีสตินั่งสมาธิไปก็มีสติเดินจงกรมก็มีสตนะิเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงก็มีสติคอยรู้ไปเรื่อยนะนี่ฝึกไปมากๆทําในรูปแบบมากๆนะทุกวันทุกวันแต่ทําแบบไม่เคร่งเครียดถ้าทําแบบเคร่งเครียดนะบางคนตั้งใจทํมาหลายหลายๆชั่วโมงแล้วเครียดไม่ได้ประโยชน์เท่าไหร่นะทำพอดีพอดีให้จิตใจมีความสุขสงบเวลาที่เหลือ มาเจริญสติในชีวิตประจำวันดูรูปธรรมท ำ, ทำงานดูนามาทำทำงานนะดูไปเรื่อยๆวันนี้เทศเท่านี้พอมั้งนะพอไม่พอก็ควรจะพอเลยนะนะมากกว่านี้ก็ไปเอาไปทำนะไปทำเอาหัดรู้สึกตัวรักษาศีลว้ทำในรูปแบบนะมีสติรู้สึกกายมีสติรู้สึกใจบ่อย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 บเออนะทราบเลยนะเห็นไหมพอทาบแล้วมันเบิกบานขึ้นมาเห็นไหมมันสว่างอ่นะจิมจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสว่างมันตื่นแล้วนะเนี่ยใจหลงไปอีกและทราบไหมทราบครับนะหัดอย่างนี้นะไปดูบ่อยๆขอบพระคุณครับต่อไปกราบน้ำมาสการหลวงพ่อค่ะขอส่งกันบ้านได้ส่งตั้งนานแล้วค่ะคือ ตอนที่กำลังพยายามรักษาสีนะคะเพราะว่าตัวเองมีพื้นฐานเป็นคนที่มีโทสะอะคะอ่ะก็เลยใช้โทสะในการดูสภาวะธรรมอะคะอ่ะคือบางวันก็จะเห็นโทสะของตัวเองตัวใหญ่มากบางครั้งก็เห็นโผล่มาพอพอเริ่มเห็นโผล่มาเราตามเรารู้ทันมันก็ดับไปอะคะ่ะแล้วก็คือรู้แต่ว่าเวลาเรา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 จิตยึดก็ยึดเองนะจิตจะมีสติแล้วก็สั่งไม่ได้ใช่ค่ะความทุกข์จิตก็าไปหยิบขึ้นมาเองใช่ค่ะดูลงไปดูลงไปไม่มีอะไรที่บังคับได้อะค่ะขอคําแนะนำจากพระอาจารย์นีแม้แล้วนะไปดูลงไปทั้งหมดไม่มีเราค่ะเห็นแต่สภาวะนะคะสภาวะไปด้วยค่ะขอบคุณค่ะ ค่ะหนูต้องลบกวนแล้วขออภัยหลวงพ่อด้วยเพราะว่าหนู list คาถามไว้สิบามข้อแล้วก็ขอโทษย่าติทํามทางนี้ด้วยนะคะย่าติทํากี่ข้อนะสิบสามข้อส <13 S 1> ิบสามเคงไม่ยอมเราบัง <c oughs> รีบถามเลยนะคะคือคุณแม่หนูมีสุขภาพจิตอามีปัญหาทางสุขภาพจิตหนูอยากจะช่วยคุณแม่ให้มีธรรมะหนูจะทํายังไงอะคะรู้เรื่องไหมก็หนูก็ให้คุณแม่ท่องนะโมตัสสะแม่ก็ท่องเหมือนนกก้านกขุนขอทองอะคะ่ะสมองเสื่อมหรอไม่เสื่อมคะ่ะยังรู้เรื่องอยู่รู้เรื่องคะ่ะรู้เรื่องนะอารมณ์ร้ายไหม ก็แพทก็ก็ทานยาอยู่อะค่ะเอาซีดีไปให้ฟังบ้างนะโอไมกอลไม่ได้แม่เลยคงไม่รับรู้อะค่ะโอโยกอลคือถ้าอย่างนั้นนะหาอารมณ์ที่เป็นกุศลอะให้อยู่นะหากุศลอย่างไงดีอะคะเช่นคุยในเรื่องที่ดีที่งามอะไรเนี้ยนะเขาเคยทำคุณงามความดีอะไรมาแม่หนูเขาโชคร้ายอะค่ะเขา ได้รับความกระทบกระเทือนทางจิตใจจนมีสุขภาพจิตที่เสียค่ะอต่หนูก็พยายามเวลาโทรไปหาแม่ก็บอกแม่ท่องน้ำมอดศรีษษแม่ก็น้ำมอดศรีษษเร็วๆสมจบหนูก็คิดว่าอย่างน้อยก็ได้บุญแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้อย่างนั้นก็ยังดีนะแต่หนูจะช่วยแม่ได้มากกว่านี้ได้ไหมคะทาใจของหนูไว้แล้วพ่อหนูหนูจะช่วยยังไงดีคะพ่อหนูพ่อหนูฟังซีดีหลวงพ่อไม่รู้เรื่องอะค่ะไม่เป็นไรคือไม่ใช่ทุกคนต้องฟังรู้เรื่องนะขอให้เป็นคนดีก็พอแล้ว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 หนูชอบคนรอหนูเพ่งอสุภะแล้วหนูก็ยังแก้ไม่หายอาการเนี้ค่ะให้รู้ทันใจไปให้รู้ทันใจแล้วก็หนูชอบท่องคาถาเงินล้านเพราะหนูคิดว่ามันมีอนิสงส์ในการแบบบางทีหนูไม่รู้ลูประทานไปหรือเปล่าคือเวลาเงินหนูจะหมดมันจะมีทางให้มีเงินขึ้นมาได้อ่ะค่ะถือแล้วสบายใจก็ถือไปแล้วก็ที่หลวงพ่อบอกว่าไม่มีคนสัตว์สินของก็ในเมื่อหนูมองไปหนูก็เห็นหมาหนูก็เห็นยีราฟคอยยาวๆหนูก็เห็นควายมันก็มหนูยังหลงอยู่ในโลกของความคิด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 ให้รู้เท่านั้นใช่ไหมไม่ต้องรู้สึกว่าเราต้องรู้สึกผิดบ้างนะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะไม่ใช่ไม่ใช่อ่ ะ, อะขออย่างอีก น, นิด น, นึงค่ะอีกนิดหนึ่ง <laughs> อ่าอะไรเนี่ยอ่านไม่ออก<笑><笑><笑>โอเคแล้วก็วิหารธรรมที่หนูควรจะทํำนะค่ะเป็นเครื่องอยู่ของใจหนูร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกบ่อยบ่ร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกบ่อยหนูพอจะตื่นบ้างหรือยังคะยัง <laughs> หนูว่าเมื่อคืนหนูตื่นแล้วนะคะ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 แล้วก็สภาวะ ต, วต่อมาตัวเปลือกมันก็คือตัวรูปนั่นเองเราเห็นร่างกายเป็นโพรงนะเป็นเปลือก <c oughs> ใช่ไหมข้างในมีการปรุงแต่งทำงานอยู่จิตเป็นคนรู้คนดูนะ <c oughs> ดีแล้วเห็น <c oughs> <c oughs> สภาวะต่อมาเจ้าคะ่ะโยมฟังซีดีหลวงพ่อบอกว่าถ้าอาบน้ําแล้วคอยรู้สึกว่าเราอาบน้ําจะเห็นว่าร่างกายมันไม่ใช่เราโยมทําอยู่กเกือบสองปีก็ไม่เห็นเจ้าคะ่ะเพราะโยมอาบน้ําทีไรมี <จง S 2> แต่ความ<จ>อยาก อ, อ, อยากตลอดเลยค่ะ ห, หลังจา ก, ากนั้นพอมันอยากนานๆในที่สุดความอยากมันดับไปเพราะว่าโยมคิดว่าเขาไม่มีโอกาสแล้วก็ช่างมันก็มันเหมือนพอความอยากมันดับไปโยมเห็นมือข้างขวามันถูสบู่เอง แต่โยมไม่ได้รู้สึกมันไม่ใช่โยมโยมรู้สึกว่ามันทํางานได้เองอแล้วก็รู้สึกว่ามันน่นารักอีกอยากาอยู่ไม่เห็นนะแล้วก็สภาวะต่อมาเจ้าคะ่ะหลังๆนิยมเริ่มเห็นว่าโยมเป็นผู้กำกับเวลาที่ฝันนะเจ้าคะ่ะโยมก็กํากับว่าเออพูด อ, อย่างนี้สิไอ้ตัวนั้นทําแบบนี้สิตัวนี้เป็นแบบนี้ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเจ้าคะ่ะเวลาฝันเหรอเวลาฝันเหรอมันมันเหมือนกับ ว, ว่าตอนใกล้ๆจะตื่นแล้วอะค่ะแล้วก็เหมือนกับว่าเออตะกี้นี้ มันฝันอยู่แต่ว่าเราเป็นคนบอกว่าให้ใหมัน <ไป S 2> พูดอ<ล>ยา่าง น, นั้นน<ฮ>ะะนั่นแหละนิสัยเราละ่ะ <laughs> ชอบจัดการแล้วก็สภาวะต่อมาแล้วเจ้าคะ่ะล่าสุดเนี่ยโยมเออมีอยู่ครั้งหนึ่งโยมเหมือนกับกือบจะตื่นแล้วเจ้าคะ่ะเหมือนก็นรู้สึกตัวมาแล้วแต่ไม่รู้ว่ามีลูกอะไรกลมๆมันเต้นด้วยแล้วก็หมุนด้วยพร้อมๆกันมันโดโดๆแล้วมันก็หมุนๆแล้วมันหมุนแล้วโดดพร้อมๆกันเลยเจ้าค่ะอยู่กลางหน้าอกม่้ ไม่มจะขับเหมือนกับว่ามันอยู่มันอยู่ใกล้ๆหัวมันอยู่ข้างๆหน้าอะไรอย่างเงี้ยจ้ค่ะช่างมันไม่สนใจ<ฆ>สนใจรู้ทันที่จิตค่ะแล้วก็อันนี้โยมยังพยายามจะมีวิหารธรรมแต่มันไม่สาเร็จใจของโยมนะมันเป็นคนที่ฟุ้งง่ายนะงั้นหาอารมณ์กรรมฐานมาเป็นเครื่องอยู่หน่อยนะจะอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจอยู่กับอิริยาบทเลยหามาอยู่สักอันหนึ่ง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 หมอกาการะเทศะอะไรนี้มันมีหลายเงื่อนไขนะการพูดไม่ใช่ว่าจริงเราพูดไดอ้อย่างนี้เราก็ยังแบบว่าเหมือนกับสีข้อมูาสารนี้เหมือนกับว่าเราด่างพลอยใช่ไหมเจ้าคะ่ะด่างพลอยทําให้ใจฟุง้งซ่านถ้าเราทําได้ตัวนี้เราจะปฏิบัติก้าวหน้าขึ้นไหมเจ้าคะ่ะถ้าไม่ฟุง้งซ่านมันก็สงบขึ้นคืออย่าพูดเรื่องของคนอื่นถึงว่ามันมันจะติงก็ไม่ต้องพูดช่างเรื่องเขาไม่ใช่หน้าที่หรือหลวงพ่อมีการบ้านอะไรที่ให้โยมไปเพิ่มเ<อ>ติม<ห>ไหมคะไปแ้วนะไปหาเครื่องอยู่มานะ แล้วก็คอรู้ทันจิตไปเรื่อยๆจะอยู่กับพุโทโธอยู่กับลมหายใจอยู่กับอะไรก็ได้สิ่งหนงหรืออยู่กับรู้สึกรู้สึกอะไรก็ว่าไปแลนะแล้วก็คอยรู้สึกไปแล้วโยมจิตตื่นขึ้นมาบ้างหรื อ, อยังเจ้าคะน่าไว้ค่อยถามคราวหน้านะขอบคุณค่ะ <c oughs> นำ้ำรสการหลวงพ่อครับเ อ, อตื่นเต้น <c oughs> วันนี้มีปิติมากครับเพราะว่าเคยมากราบหลวงพ่อครั้งแรกมาสามปีที่แล้วแล้วก็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 สตาตั้งต้นตั้งแต่เริ่มหัดเดินใหม่ตอนนี้ก็รู้สึกเริ่มตั้งมั่นได้มากขึ้นแต่ก็กำลังกลัวว่าคือไ ม, ม่เข้าใจเหมือนกันว่าตอนนั้นไปปฏิบัติอะไรผิดทำไมมันถึงเกิดอารมณ์อย่างนั้นขึ้นมไม่ทราบนะหลวงพ่อไม่เห็นอนะครับก็แล้วคือตอนนี้ที่ปฏิบัติอยู่จะเป็นเนื่องจากปกติจะมีธุระวุ่นวายทั้งวันก็จะหาเวลาเข้าไปนั่งในวัดก็จะเริ่มจากการทากรรมฐานพุโทโธ ส่วนกระทั่งจิตตั้งมั่นได้ในระดับหนึ่งถึงจะเริ่มปรับลงมาเป็นวิปัสนาหลวงพ่อมีคำแนะนำอะไรเพิ่มเติมไหมครับของคุณโดยภาพรวมนะเวลาพอนานะทำแบบให้ใจสบายๆอยา่าคาดหวังนะถ้าเราคาดหวังแรงไปคับมากไม่ดี ร, รู้สบายๆไปนะจะจะอยู่กับพุโทโธจะอยู่อะไรก็อยู่อย่างสบายๆนะแล้วจิตใจเป็นยังไงให้รู้ทัน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 พรมัสกาหลวงพ่อใช่ค่ะดังๆเราแก่แล้วหูตึงลูกอยู่ต่างประเทศ น, น, นะเจ้าคะ่ะแล้วก็มีพี่สาวคือคนนี้ช่วยส่งซีนีแล้วก็หนังสือหลวงพ่อไปให้ทีนี้ก็ตั้งใจทําคิดว่ามีความพยายามอยากจะทําอยากจะได้ดีพยายามสวดมนต์นั่งสมาธิอเท่าที่จะทำได้นะคะเพราะว่าลูกมีสามีแล้วก็ลูกสาวหนึ่งคนลูกก็ต้อ ง, ต, องต้องมีภารกิจอยู่ใช่ไหมคะทีนี้ลูกก็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 อยู่กับเครื่องอยู่ของเราจิตหลงไปจิตเป็นยังไงคอยรู้คอยดูเรื่อยๆ เ, เอานะอยู่ๆเจริญสติในชีวิตประจำวันดูจิตไปอย่างเดียวเรื่อยๆไปนะไม่มีแรงพอหรอกนะั้นเราก็ต้องมีเครื่องอยู่ของจิตบ้างอย่างหลวงพ่อตอนก่อนจะไปเจอหลวงพู่ดูเลงหลวงพ่อทําสมาธินะหลวงพ่อทำอนาปนานสติใจิตมันมีกําลังแล้วไปเจอหลวงพูดด่ดูดูจิตง่ายเลยเห็นมันทํางานเห็นอะไรไม่ไปเพ่งมันนะนะ ของคุณใจมันไม่ค่อยสงบใจมันฟุ้งเยอะถ้าใจมันฟุ้งมากอย่างเนี้ยนะอย่างน้อยที่สุดคอยรู้สึกอยู่ในร่างกายไว้ mm hmm. เห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนนะเอาร่างกายเนี่ยเป็นวิหารธรรมเห็นไปเลี้ยงลูกไปอุ้มลูก mm hmm. เห็นร่างกายมันอุ้มลูกนะ mm hmm. นะดูแลสามีก็เห็นร่างกายมันคดข้าวให้มันทำงานให้อะไรเงี้ยนะทำดูกายบ่อยๆ mm hmm. แต่อย่าไปทาใจให้ให้เคร่งเครียดนะ mm hmm.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 จงใจมากคนะ่ะทำให้มันผ่อนคลายบ้างทำอย่างมีความสุขสวนมนตน์้มีความสุขของนะไม่ใช่จำใจสวดรีบรีบสวดให้จบจบไปจะได้พ้นเวทพ้นกรรมไม่ใช่งั้นนะบางครั้งก็เป็นอย่างงานนั้นเ่ะเป็นแต่พยายามจะคิดว่าเนี่ยสวดเพื่อเอาบุญมายิ่งนานยิ่งดีพยายามจะยืดมันไปเรื่อยๆอย่างนั้นแหละยิ่งสวดยิ่งมีโทสะสวดได้บาป อ๋อ oh, อย่างนี้ลูกก็ต้องกลับไปพยายามมีความสุขกับสิ่งที่ทํา<ช>แล้วพยายามรู้ตัวให้มากมีมกความสุขแล้วก็รู้สึกตัวให้มากๆากนะจะ oh. เห็นร่างกายมันทํางาน oh. เห็นจิตใจมันทํางานดูบ่อยๆเวลาไหว้พระสวดมนต์นะไม่ใช่รีบๆเมาไม่ต้องสวดเยอะนะ oh. สวดไม่ต้องเยอะก็ได้แต่สวดให้สบายใจ oh. คีย์เวิร์ดมันคือว่ามีความสุขกับการทำใช่ไหมฮะถ้ามีความสุขได้เมื่อไหร่สมาธิจะเกิดเมื่อนั้น oh. พอมีความสุขในการทางานก็จะเกิดสมาธิขึ้นมาพอมีสมาธิแล้วเห็นร่างกายมันทำงานใจเราเป็นคนดูนี่เริ่มเดินปัญญาจำได้ไหมจำไม่ได้เดี๋ยวเดือนหน้าไปฟังซีดีเอานะแสดงว่าลูกกลับไปลูกก็ต้องปฏิบัติเหมือนเดิมแต่ให้มีความสุขแล้วเบาลงกว่าเดิมอย่าไป เพราะว่ามันเป็นแรงมันโทสะมันแรงเออนะนั่นแหละสงสารลูกด้วยหมดยังครับนมัส ก, การหลวงพ่อครับสบายใจนะถามอย่างมีความสุขหน่อยครับผม<ห>อยา่าเครียดยิ้มก่อนก่อนถามต้องยิ้ม <c oughs> ยิ้มหวานหวานก่อนหวานพอไหยครับ <c oughs> <c oughs> อ้าวอย่า ง, งี้ก็ปฏิบัติมาประมาณปีกว่าครับเน้นการดูส่งกันบ้านครั้งแรกนะครับเน้นการดูจิต รู้สึกว่าดูจิตได้ได้ชัดกว่าดูกายนะฮะแล้วก็บางครั้งเห็นการเกิดดับเช่นสัญญ า, าผุดขึ้นมาแล้วก็ดับไปคือผุดขึ้นมาเองนะครับแล้วก็ระลึกได้ว่าว่าสัญญาผุดนะครับนีระยะหลังเนี่ยค่อนข้างจะแผ่วแผ่วในเรื่องของอสติที่มันมันแผ่วแผ่วเบาไม่ชัดเจนน ะ, นะครับแล้วก็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 ขยันก็ปฏิบัตินะขี้เกียจก็ปฏิบัติไม่เลิกครับอันนี้บางครั้งเนี่ยถ้าช่วงที่รู้สึกว่าปฏิบัติดีเนี่ยมันจะมีตัวหนึ่งแทรกเข้ามาเป็นลนักษณะของของการลบหลู่นะฮะภาตนาไตรให้รู้ ท, รทันไปนะดูไปเลยมันแทรกเองมันไม่ใช่เราหรอกรมันทำงานของมันเองเวลาที่กิเลสเกิดนะพวกเราตกใจมากไป เวลากิเลสเกิดนะบางคนตาลีตาลานเลยตายแล้วกิเลสมาไม่ดีกนะ <c oughs> ลัวมากไปความจริงกิเลสนั่นแหละแสดงไตรักกิเลสเสียท่าเรานะถ้าเรามองเป็นงั้นอย่างจิตอยู่ๆมันลบหลู่พระรัตนตรัยขึ้นมาเราเห็นเลยจิตมันลบหลู่พระรัตนตรยัยจิตนี้ไม่ใช่เราเราไม่ได้ลบหลู่นะ <c oughs> เพราะงั้นบาปอยู่ที่จิตเราไม่เกี่ยวให้จิตมันตกนรกคนเดียวครับ <c oughs> ก็หลังๆจะรู้สึกลักษณานั้นขึ้นมานะครับแต่ว่ายังไม่ค่อยเป็นกลางนัก<อ>ในนะอารมณ์ที่แรงๆเนี่ยจะยังไม่ค่อยเป็นกลาง<อ>านะแต่ว่าถ้ารมแผ่วๆเนี่ยจะจะค่อนข้างดีนะครับต่อไปน้อสการ์ค่ะหลวงพ่ อ, อก็ส่ง ันนบ้านในรอบ9้าเดือนที่ผ่านมาค่ะรู้สึกว่าช่วงนี้ค่ะก็คือทําสมาธิมากขึ้นนะคะเช้ากับเย็น<ม>ก็ได้รู้สึกว่าเหมือนกับใจมันมีกําลังมากขึ้นนะคะ<ม>แต่ว่าแต่ว่าเหมือนกับคล้ายๆจิตมันไปติดเฉยเจ้าค่ะให้รู้ทันสินะอย่าให้จิตติดเฉยให้มันแอคทีฟไห ม, มรู้ทันแล้วไม่เป็นปัญหาแล้ว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 คุยกันเรื่องเจริญสติเราไม่คุยกับคนที่พาให้เราขาดสตนะิเลือกกัลยาณมิตรเลยสิ่งเหล่า น, นี้ช่วยให้เรามีแรง <c oughs> อย่างถ้าเราไม่มีกัลยาณมิตรนะมีแต่คนที่ชวนคุยเรื่องตืลิดเปิดเปิงอย่าคุยด้วยดีกว่าเพราะฉะนั้นต้องกระตุ้นมันบ้าง <c oughs> อย่างเวลาจะไปส่งกันบ้านครูบาอาจารย์นะจะขยันนะแต่บางคนมันก็ใจใจเย็นไปไม่ขยันหน้าวัดขอบคุณค่ะ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 รู้สึกว่าในตัวเรานี่มันมันไม่มีเรานะครับเออแล้วมันก็หลับต่อไปเหรอครับทาไมมัน happy e น d i n g อย่างนั้นมันเหมือนมันเหมือนฟ้าผ่าเปี้ยงมาแล้วก็มีแะไรหลอบไหมเห็นมันแหวกออกป่ามันสว่างขึ้นมาไหมสว่างสว่างเปี้ยงเลยครับแล้วหลังจากนั้นมีเราอีกไหมก็สังเกตมาเรื่อยๆกิเลสกิเลสที่ มันเรียกว่าเรานี่มันก็ยังพอมาอยู่ อ, อ, อะค่ะยังดูไปดีปปปที่ไม่โดนหลอกนะครับอะไรก็สู้สติปัญญาของเราไม่ได้บางคนภาวนาแล้วพอเกิดปรากฏการแปลกๆนะไปน้อมใจเชื่อแล้วเนี่ยตอนนี้โสดาแล้วรวมลงไปวูบนึงโผล่ขึ้นมาตื่นความจริงนั่งหลับไปวูบโอ้ได้โสดาแล้วนั่งต่อปุ๊บโอได้สกทาขาอย่าไปเชื่อ่ยนพไม่ติมให้้ตองสํารวจใจนสำรวจใจไปเรื่อยๆ ที่ฝึกอยู่ดีนะทําให้สม่ําเสมอนะจิตมีแรงแล้วครับสังเกตไหมว่าทุกอย่างมันของถูกรู้ถูกดูอันเนี้ยดูออกแล้วใช่ไหมเห็นไหมว่าทุกอย่างที่ถูกรู้ถูกดูมาแล้วก็ไปครับเห็นไหมทุกอย่างที่ถูกรู้ถูกดูมีเหตุถึงจะมาหมดเหตุแล้วก็ไปครับนะฝึกอย่างนั้นนะจนวันหนึ่งจิตมันยอมรับความจริงรนะถ้าจิตยอมรับความจริงได้ก็เข้าใจธรรมะแล้วคงั้นจริงๆแล้วธรรมะไม่ยากนะ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 แสงสว่างนี้เรีองอุคหานิมิตแล้วนะฝึกไปเรื่อยๆนะต่อไปมันบังคับได้นะให้เล็กให้ใหญ่ให้โตให้ไปทาอะไรก็ได้อยู่อยากรู้อยากเห็นอะไรนะเข้าไปอยู่ในความสว่างนี้นะฉายแสงไปดูอะไรอย่างเงี้ยนี่เป็นเรื่องของสมถะทั้งหมดเลยนะหรือจิตสงบจิตสบายเฉยสว่างอยู่เฉยๆได้สมถะถ้ารู้ลมหายใจจะทำวิปัสสนาะเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูเห็นเลยร่างกายที่หายใจอยู่นี่ไม่ใช่เรานะ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 บางคนไม่มีสมถะทำสมถะไม่เป็นจเจริญปัญญารวดไปเลยเนยีพวกนี้แห้งแรงเรียกสุขวิปัสสะพวกไปด้วยความแห้งแรงเดินทางไกลไปนะตกค่ำก็ไปอยู่ข้างถนนนะหาเผือกหามานันกินนอนใต้ต้นไม้ไปได้ไมไปได้เหมือนกันวันนี้เจอคูน้ำอาบในครูวันนี้ไม่เจอก็ไม่ต้องอาบอะไรเงี้ยนะไม่เหมือนพวกที่ไปถึงก็นะมีที่พักแล้วมีอาหารมาเสิร์ฟแล้วนะ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 สัพเพปูเรนตูสังกับป่าจันโทปันนรโสยทามณิโชทิระโสยทาสัพพีติโยวิวัตชันตูสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาธนสีลิสนิจังมุธาปจายิโนจัตตาโรธรมาวัทันติอายุวันโนสุขังพะลัง